พระอนุบัญญัติ225พิกสุต้องอบัตไปจิตตีเพราะฉันปรำพระโภชนะนอกสมัยสมัยในข้อนั้นคือสมัยที่เป็นไข่สมัยที่ถวายจีวรสมัยที่ทำจีวรนี้เป็นสมัยในข้อนั้นสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่พิกสุตทั้งหลายอย่างนี้